ใครไม่เคยมาบ้างมีไหมสองสามสคนะนะ่ากันไหเคยฝึกกันแบบไหนไหมาฝ่องยุบนะอันนี้เห๋อไปเรียนมาจากไหนหนามปาไม่ได้หาครูบาอาจารย์เด๋อเรียนหนังสือของใครละ่ะอ่านจากหนังสือเล่มไหนอ๋อท่านพุท ธ, ธานพุท ธ, ธานเอามาจาัด ก็สูตรแล้วโยมล่ะลไม่เคยฝึกเลยอ่ะไม่เคยฝึกฝึกง่ายเบื้องต้นนะฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนอะไรก็ได้ดูท้องผ่องยุบ ก, ก็ได้ยุเท้ายั้งเท้าก็ได้หายใจก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้เบื้องต้นมันต้องมีจุดตั้งต้นกันแล้วก็ค่อยๆ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 รู้ว่าทุกอย่างเป็นภาพดวงตาทั้งหมดเลยถ้าไปพบ พ, บพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะได้รับพยากรณ์จะได้รับพยากรณ์ว่าโน่นอย่างตามอีกสี่อสงไขยแสนมหากรัปนะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อนี้ชื่อนี้นะหรืออย่างช้าอีก16บหอสงไขยแสนมหากัปอนะย่างพระศรีอารเราเนี่ยได้รับพยากรณมา16บหอสงไขยแสนมหากัปส่วนพระโคดมเราเนี่ยได้รับพยากรณ์เมื่อสี่อสงไขยนึง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 ใจที่มีกําลังมากนะที่วันนี้ทําไมไปเทศเรื่องพุทธภูมิมีใครจะเป็นโพธิสัตว์มังเ <c oughs> มื่อวานก็ไปเทศเรื่องอิทธิบาทสี่มีโยมกลุ่มหนึ่งจะมาราตนาให้หลวงพ่อเจริญอิทธิบาทนะ่ะพวกมันั่งคิดคิดกันจอกแจ๊กเลยนะ <c oughs> จำเรื่นิมนต์ทำมาหลวงพ่อเลยแกว้งตามญาติโยมที่มาฟังเยแต่ถ้าใครไม่เอาพุทธภูมินะ